โยโซภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ได้เป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาโตเยนะภะควาตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้กราดไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะจะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติดีแล้ว ตามมายังพระวันตัางสะทมังสะั้งคังอิเมหิสการเรหิยธาระหังอโรปิเตหยภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องส ก, การะทั้งหลายเหล่านี้กาโยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรซาดุโนพันเตพควาสุจิราปรินิพุโตปีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจจิมาชนาตาอนุกรรมปมมานสาต้องมีพระารุทัยอนุโคแก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนลุ่นหลัง อิเมสกาเรทุขตาปนรณาการภูเตปฏิคานาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับเครื่องสาการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อามหากังเทคารตังหิตายาสุขายา เพื่อประโยชน์และความสุขพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินอรหังสัมมาสัมพุโทโธพคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังพระวานตั้งอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตพระขวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตราดไว้ดีแล้วทามังนัมสามีข้าพระเจ้นานมัสาการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังขังนามีข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบหันธรมยังปุปปภาคณะนักมการังกโรมาเซนโมตัสสะภะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคาวะโต อราหโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธา ตราสรูชอบได้โดยพระองค์เองเอะไรเดี๋ยวต่อไปสนทนาวันนี้ก็มาสนทนาที่เขาเรียกอะไรเวลนสเรียกอะไรนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรยมมดดาวไปว่านี้แปลว่าอะไร มาจากคำว่าเพราะตอนนี้ได้กายด้วยยังไม่ได้ใจด้วยยังไม่ที่ที่มาอยู่แล้วทำให้เกิดความสุกกายและสุขใจใช่ไหม ถ้าในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีคําอยู่คำหนึ่งก็จะเรียกว่าสุขภาวะองค์รวมใช่ไหมแต่คําว่าสุขภาวะเนี่ยมันก็จะมาจากคําว่าสุขภาพไปไปมาก็บอกว่าสุขภาพอย่างเดียวเป็นได้เร่ร่างกายอย่างเดียวอย่างนั้นเลยเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นสุขภาวะ จ, วจริงจริงจริ ง, รงคำเดียวกันเลย แปลงวแหวนเป็นจากพอผ่านเป็นวแหวนมันมีค่าเท่ากันตามภาษาบาลี mm hmm. แต่เอา้าสุขภาวะก็คือบอกว่าสุขภาวะก็คือสุขทางกายไม่พอเขาต้องการว่าสุขทางจิตใจด้วยสุขทางด้านเศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยการเมืองด้วยเนี่ยสุขหมดเลยก็เลยว่าสุขภาวะองค์รวม mm hmm. นั่นก็เป็นภาษานะที่จะสื่อเข้าไป แต่วันจะได้สุขจริงหรือไม่ก็ต้องมาดูวิธีการอีกทีหนึ่งใช่ ไ, ชไทีนี้ทุกวันนี้ก็เราจะสังเกตดูได้ว่าคือว่ามนุษย์เราก็จะเริ่มสแสวงหาใช่มอยากจะหาสถานที่มีความสุขกันก็ดิ้ น, ด, นดิ้นหากันทคใครที่คิดว่าไปทะเลมีความสุขก็อยากจะไปสร้างบ้านอยู่กลางทะเลใกล้ๆทะเลมีชาหาดออกมาเดินเนี่ยนะ ใครคิดว่าเอ้ย อ, อยู่บนภูเขามีความสุขก็มาหาสร้างบ้านอยู่ตามภูเขา <c oughs> ใช่ไหมคนบางคนบอกอุ้ยไม่สุขเราทะเลไม่สุขเขาไม่สุขต้องอยู่ในเมืองถึงจะสุขพอ <c oughs> ไปไหนสะดวกดีเขาก็เอาถ้าไปในเมืองนี่นะบางคนก็บอกว่าถ้าอยู่บนเขาก็ไม่สุขสู้ไปอยู่ตามทุ่งไรไ่ป่นาไม่ได้ที่รับรากเดยก็จะมีความสุขเขาก็อยหาที่รับรากในมนุษย์ก็เลยไปกันต่างๆนานาอย่างเงี้ย แล้วแต่มองว่าอะไรมันจะเป็นความสุขของตัวเองเ ก, ก็วิ่งกันแต่ว่าจริงๆก็คือว่าถ้ามองถึงในด้านของคำว่าส ป, ปายะเนี่ย<ม>ที่ที่จะเป็นที่ไปอยู่แล้วมันได้ดุลยภาพเนี่ยเช<ม>่นอุตุส ป, ปายะอันนี้หมายถึงอากาศนะดินฟ้าอากาศคือมีสภาพของอุตุเนี่ยส ป, ปายะส ป, ปายะก็คือเอื้อ เรื่อต่อการเมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอได้อุตสปายะก็ทำให้ร่างกา ย, ยได้ความสมดุลได้ดุลยภาพมันส่งผลทั้งด้านจิตใจด้วยไหมเออจิตใจก็พลอยจะมากระทบที่หลังโดยงี้เป็นต้นเนนะประการต่อมาก็คือที่อยู่ภาษาพระเาเรียกว่าอาวาสอาวาสาาสปายะสถานที่ที่ได้ได้ความสะดวกทางด้านของสถานที่ที่อยู่อาศัย หนึ่งอุตุสองอาวาตอะไรอีกตัเนี้ยยาบทสปายะยืนเดินนั่งนอนใช่หมมนุษย์มนุษย์ใช้ยาบทกี่ยาบ ท, าบทวันวันหนึ่งมีการก้าวไปได้ไหมก้าวไปถอยกลับคูเข้าเหยียดออกอะไรคู่ได้บ้างแขนได้ขาได้เหยียดออกได้หมดเลยนะแ ร, แร่ตรงแรเหลียว แรมตรงๆไปข้างหน้าเหลียวก็คือหมุนรอบทิศทิ่จริงมองขึ้นมองลงก็นวะวลาเหลียวนี่มองลงข้างล่างมองขึ้นข้างบนแล้ว ก, ก็กินกินดื่มเคี้ยวลิ้มไม่เหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนแต่กินก็คือเกี่ยวของที่กินนี่ดื่มนี่กุนตะกูลนะ้าเคี้ยวนี่พวกอะไรฮะเคี้ ย, ยก็กลุ่มพวกอาหารที่ มีอะไรตะกูลที่จะต้องเคี้ยวนานๆหน่อยลิ้มนี่เป็นพวกตะกูลไอศครีมพวกนี้ <c oughs> กินดื่มเคี้ยวลิม้มทายุจละปัสสาวะในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดแล้วก็ น, นิ่ง <c oughs> สปายะก็คือว่ามาอยู่แล้วมันสะดวกใช่ยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดแล้วก็นิ่งไอ้สปายะก็ศัพท์นี้มาจากคำว่าเหมาะสมดุลยภาพได้สมมาตาได้ความสมดุล มันได้ดุนยาภาพบาลีมาจากคาว่าสมมาตาไอสับดุนยาภาพเนี่ยมันเดินมาจากสมมตาทีนี้มนุษย์เราโดยมากจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุดตง่งทําอะไรมักจะไม่ค่อยได้สปาย่าหรอกตังเกตเลยนะว่าอา้าวบางคนก็สุดตรงทางด้านไหนดีทางด้านไหนทางด้านความคิด <c oughs> อความคิดสุดตรงไหมบางทีก็ได้มากก็จะสุดตรงเช่นบางทีก็คิดว่า กินอาหารอย่างนี้แหละดีไม่กินเนื้อกินผักดีกว่าสุดตรงไปเลยเดี๋ยนี้ก็เห็นไหมนี่ก็สุดตรงบางคนอว่าไม่ได้ต้องมีเนื้อเท่านั้นก็สุดตรงไปทั้งนี้อีกเไมโดยมากการณ์ที่จะได้ดุญยภาพเนี่ยยากจะต้องมีความเข้าใจจริงๆแม้แต่ทางด้านของด้านนามธรรมาเหมือนกันโดยมากเราก็จะสุดตรงแล้วก็เอียงใช่ไหม บางคนก็สุดตรงไปทางด้านของความโลภติดกรมาสุขเพลิดเพลินในการมาคุณบางคนก็สุดตรงทางด้านก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดไม่สนใจเลยร่างกายไม่สนใจเลยปล่อยหมดเลยมันจะสุดตรงอย่างเงี้ยพยายามที่ตอนชอบแต่งเนี้ยแต่งตัวก็เต็มที่เลยนะมันก็สุดตรงไปเนคะี้ยสนุกสนานเต็มที่เพราะปล่อยก็ปล่อยหมดเลยตอนนี้ยไม่ดูเลยไม่สนใจเลยเคยเป็นไหมแบบเนี้ย <c oughs> มันไม่ได้อยู่เป็นมันไม่ได้ดุจยาภาพใช่ไหมไปไปมาพอในยามวัยหนึ่งของชีวิตก็หึงเต็มที่เลยเหมือนทํางานเหมือนกันบางทียามทํางานก็เคร่งเครียดทาเต็มที่เลยพอบอกไม่เอาอะไรก็ทิ้งหมดเลยตอเนี้ไม่สนใจอะไรเลยเป็นกายมากจะสุดตรงแบบนี้เป็นไม่เป็นเนดีเดเดมากคุณลูกก็ชอบจะเป็นแบบนี้นก็เรียกว่าเดีมากไม่ค่อยได้ดุลใช่ไมเดี๋ยวมากก็ชอบจะสุดตรงบบนิดง ถ้าชอบใครขึ้นมาก็เต็มที่เลยแต่อย่าให้เกียรตินะเกียรติก็เต็มที่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันจะสุดต่งอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าหลักในทางพุทธศาสนาเขาจะมองนี่ว่าหนึ่งอัศทะจุดเด่นจุดดีสองอัธีนาวะจุดด้อยไอถ้าเอียงไปทางจุดดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็เอียงสุดอีกบางทีก็เอียงไปทางสุดเสียอย่างเดียวก็เอียงอีกพระเจ้าจะพูดถึงในเรื่องของนิสระนะไอ้หลักมัชชิมาปฏิปทาเนี่ย หลักที่จะดําเนินชีวิตที่ไม่เอียงไปหาที่สุดโตงง่งจนเกินไปยังไงอันนี้ น, นี่เป็นหลักตื่นเช้เหมือนที่เคยบอกเรื่องอินทรีห้าเนี่ยบางคนก็สุดตรงไปทางด้านของศรัทธาใช่ไหมเชื่อเชื่อเชืเกินเหตุขาดปัญญาพิจารณาไม่มีปัญญามาดุลไว้เอียงไปทางศรัทธาสิบางคนก็สุดตรงไปทางด้านปัญญาแล้วไม่เอาไม่เอาศรัทธาไปดุลไว้อีกแลยวลังเลสงสัยไปเรื่อยๆจับจด บางคนก็สุดตรงไปด้เพี้ยนเกินไปอีกแล้วฟุง้งบางทีก็สมาธิมากเกินไปก็เฉื่อยช า, ยาใช่ไหมสุดตรงไหมที่จริงเ้าให้สติเนี่ยเป็นตัวดุลภายในนะใช้สติกำกับถ้าศรัทธามากไปก็ดึงลงมาเอาปัญญาเข้าไปคานไว้ถ้าความเพียนมันมากไปมันจะฟุง้งเอาสมาธิไปดุลไว้ถ้าสมาธิมากไปก็เอาความเพียนไปดุลไว้ คอยปรับอยู่ตลอดเวลาเนะียใช้สติมันเป็นตัวหลักในการคอยปรับดุลยภาพของชีวิตตลอดแม้แต่เรื่องอียบบทเหมือนกันนะยืนมากเกินไปเดินมากเกินไปนั่งมากเกินไปนอนมากเกินไปนเสียดุลหมดเลยแล้วก็ป่วยใช่ไหมละ่ะอาหารเนี่ยลองดีกินแต่อย่างนี้ตลอดสุดโต่งตรงนี้มากเกินไปเอาแต่เสียดุลอีกในร่างกายอากาศก็เหมือนกัน ร้อนมากเกินไปหนาวมากเกินไปอะไรเงี้ยนะถ้าปรับดุลรับสมดุลไม่ได้ร่างกายก็อยู่ยากอีกปรับยากไหมเรื่องดุลเนี่ยสมาตานีย่ยากหรือไม่ยากพุทธศาสนาสอนเรื่องหลักหลักสมตาสอนในเรื่องตรงนี้เออวันนี้ก็มาพูดกึ่งในเรื่องของคำว่า เ, ออเคยได้ยิยนคำว่าสมมาอาชีวะไหมเรื่องอาชีพ สัมมาอาชีพในอาชีวะตอนนี้แปลว่า ง, งานก็แปลว่ากิจกรรมของชีวิตแต่ทุกคนที่มีลมหายใจอยู่ก็จะมีกิจกรรมของชีวิตตลอดแต่หลายๆคนก็บอกว่าช่วงนี้ฉันไม่มีงานทำช่วงนี้มีงานทำแต่จริงๆงมีตลอดไหมมีตลอดตื่นขึ้นมาก็ต้องมีกิจกรรมของชีวิตในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการทากิจกรรมต่างๆไม่ได้หยุดเลยนะ นี่คืองานของชีวิตทีนี้งานเนี่ยแต่ในหลักของพุทธศาสน์ในหลักการก็คือการนะมุ่งปุ่งไอ้ความเป้าหมายของอาชีวะบางทีแล้วก็เน้นเน้นด้านเกณฑ์อย่างต่าที่สุดก็คือต้องการให้ชีวิตทุกคนนะมุ่งให้ทุกคนมีปัจจัยสีมีเครื่องนึ่งหม่มมียามีอาหารมีที่อยู่อาศัยนี่คือการถือเอาเป็นหลัก ทีนี้พอมองในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เพียงว่าชีวิตเนี่ยการมีปัจจัยสี่ประการต่อมาคือถ้าไปเอาชีวิตไปตั้งเป้าไว้ที่ปัจจัยสี่อย่างเดียวเนี่ยไปไปมาๆ ม, มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพระราชา เ, เขาเรียกว่าผู้ปกครองที่ที่มีหลักก็คือมีธรรมะที่เกี่ยวกับปกครองเช่นกําหนดหน้าที่ของพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างหนึ่งว่า เออาายียร์านหรือเพิ่มทรัพย์ให้แก่บุคคลผู้ไร้ทรัพย์ก็หมายกว่ามาคอยดูแลไม่ให้คนขัดสนยากไร้ในแผ่นดินพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสําเร็จในด้านของอาชีวะหรือเศรษฐกิจของผู้ปกครองเนี่ยวัดด้วยความคนมีคนอดอยากหรือไม่อดอยากถ้าคนปกครองบ้านเมืองในยุคก่อนเช่นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเช่นพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้ามันธาตุราชในสมัยก่อนที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยท่านก็จะวัดกันว่ากําลังบุญของท่านเนี่ยดีมาก คือด้วยตัวท่านเองเนี่ยกำลังบุญของท่านเองเนี่ยดูแลคนทั้งชมพูทวีปคือคนทั้งชมพูทวีปเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินเลยอาศัยบุญท่านอย่างเดียวเนี่ยเลี้ยงได้โหขนาดนั้นเนี่ยฉะนั้นตรงเนี้ยคือคนมีบุญคนเดียวมาเกิดเนี่ยบ้านเมืองร่งเงมเย็นไม่ได้ไม่เดือดร้อนเลยท่านประ ก, กาศเลยบอกว่าชาวเมืองถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ท่านทั้งหลายไม่ต้องทำมาหากินอาศัยบุญของเราคนเดียวเนี่ยเลี้ยงบอกท่านได้ตลอดขนาดนั้น โอ้ยท่นนี้ท่านก็จัดสรรเลยเนี่ยงานการของท่านไม่มีอะไรก็คือจัดสรรในการที่แจกจ่ายให้คนถ้าทุกคนขาดอะไรขาดคนใช้ก็มาหา <c oughs> ขาดที่อยู่อาศัยขาดเครื่องนุ่งหม่มขาดยานพาหนะขาดอะไรทั้งหลายมาจะท่านแจกได้หมแม้แต่พวกไอ้กินเหล้าเมายาท่านยังแจกเลยท่านบอกว่ามันไม่สามารถในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ไม่สามารถจะทำให้เขาเลิกเหล้าเมายาได้ใช่ั้ยท่านก็เลยจัดสรรส่วนหนึ่งว่าทำยังไงหนอไม่ให้คนกลุ่มนี้มารบกวนคนอื่นรับก็เลยกันโซนเขาไว้ให้พวกนี้ต่างหากเพราะยังไงก็ไม่สามารถจะทำให้กลุ่มบุคคลนี้เลเิกได้ก็อ้าก็ทำเป็นโซนขี้เหล้าใะโซนนี้แต่ไม่ให้มากวนบุคคลที่มากวนที่ท่านได้เดินทานกุศลกันครับทำกิจกรรมต่างเนี้ยอันนี้ก็คือว่าวัดกันด้วยว่า ท่านเกิดมาแล้วท่านขนจัดความยากไร้ในแผ่นดินได้เนี่ยเพราะว่ากำลังบุญของท่านดีเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือปัจจัยทีนี้ประการต่อมาเนี่ยใ น, ในหลักของสัมมาชีวะในหลักการอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความมีปัจจัยสี่พอแก่ความต้องการของชีวิตหรือแม้มีวัตถุพลั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ตามไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวของมันเองเนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสแสวงหาอาหารสแสวงหา ปัจจัยสีเนี่ยเป็นธรรมะขั้นไหนขั้นศีลใช่ไหมสังเกตดูนะสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากรรมตะการเลี้ยงชีพการกระทําชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นธรรมะขั้นศีลเท่านั้นนะที่เราเลี้ยงชีพเนี่ยทีนี้อาชีพอย่างเดียวก็แปลว่าการงานถ้าใส่คําว่าสัมมาเข้าไปก็แปลว่าถูกต้องใช่ไหมในทางธรรมะไม่ได้หมายเพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิตแล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนโดย แต่ว่าเน้นหลักการว่าหมายถึงการทําหน้าที่ความประพฤติและการดํารงตนอย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทําให้เป็นผู้ควรแก่การได้ปัจจัยสี่มาบุญลงชีวิตเช่นพระเนี่ยดำรงตนอยู่ในส ม, มณธรรมแล้วได้ปัจจัยสี่ชาวบ้านเอาอาหารมาถวายเนี่ยก็เป็นเป็นสมาอาชีพของของนักบวชถ้าเป็น คารวะโดยทั่วๆไปก็สมาชีวะของคารวะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องการเลี้ยงชีพหนึ่งไม่เบียดเบียนตนสองไม่เบียดเบียนคนอื่นสามก็คือนอกจากไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนี่สมาชีวะเป็นอย่างนีน้ในหลักของสมาชีวะนี่เลยสามประการเนี่ยคือหลักหลักที่จะมาจับทีนี้การแสวงหาเนี่ยทรัพย์มันจะมีว่า สแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำนั่นข้อแรกสแสวงหาในทางที่ชอบสองการใช้ทรัพย์มันจะมีสองอย่างนะในสัมมาชิวะในพุทธศาสนาในหลักการที่พระเจ้า ว, วางไว้นะี่หนึ่งสแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำกับสองการใช้ถามว่าการใช้ทํำยัยงไงได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวข้องคนที่ตนเองรับผิด ช, ชอบให้เป็นสุข ยมบีได้ทําำคอนี้ไหมทาใช่ไหมได้ทรัพย์มาแล้วแสวงหาทรัพย์มาแล้วโดยชอบทำเนะยไม่ได้ไปรีดนาทาเล่นไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ได้ไปขอรับชั้นเนี่ยได้มาได้เร็วแรงด้วยกําลังอย่างอาเมือต่างงามได้มาโดยทําเป็นของชอบทำอ่าได้ทรัพย์มาแล้วอ่าได้ทรัพย์มาแล้วลําดับแรกคือดูแลตนเองก่อนเขาให้เอามาดูแลตนเองก่อนเนี่ยได้ทรัพย์มาแล้วอันนี้เป็นศีลนะเนี่ยดูแลตนเองให้เป็นสุข แล้วก็ดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องเอาใครบ้างอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราพ่อแม่ปู่ตาย า, ยาย้ายลูกหลานว่าไปจนถึงขนาดลูกน้องลูกจ้างให้เป็นสุขและประการต่อมาคือเผื่อแผ่แบ่งปันอันนี้เป็นจากธรรมเผื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทําสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เป็นบุญรวมทั้งใช้ในการเผยแผ่ส่งเสริมธรรมะก็ะจัดว่าเป็นการใช้ทรัพย์ที่ถูกต้องด้วย เห็น ไ, ไหมข้อที่หนึ่งคือการแสวงหาโดยชอบทำข้อที่สองคือการใช้การใช้ก็เลี้ยงตนเองกับคนที่รับผิดชอบแล้วก็ประการต่อมาก็เผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ใช้ทรัพย์ในการทําสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ให้เป็นบุญรวมทั้งใช้ในการส่งเสริมให้คนเกิดสติปัญญาส่งเสริมให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจโวยว่าไปในสิ่งที่ดีงามเราทาไห้ข้อเนี้ยอาข้อที่สามคุณค่าแห่งทางจิตและปัญญามีสําคัญไหม คือมีทรัพย์แล้วเนี่ยไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์สมบัติอย่างรู้เท่าทันเห็นคุณและโทษมีจิตเป็นอิสระด้วยนิสสร ะ, ะปัญญา <c ười> คื อ, อยังไงและอาศัยทรัพย์ได้โอกาสที่จะพัฒนาจิตและกับปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโอ้ดูนยากไหมคือได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ย แทนที่จะเป็นทาตของทรัพย์แต่การอยู่เหนือทรัพย์เพราะอะไรคือฝึกไม่ลุม่มหลงไม่หมกมุ่นมัวเมาในซัพย์นั้นกินใช้ทรัพย์อย่างรู้เท่าทันเห็นคุณโทษด้วยเนะียคุณของทรัพย์มีแค่ไหนโทษของทรัพย์มีแค่ไหนมีจิตเป็นอิสระด้วยนิสสนาปัญญาคือมีปัญญาอยู่อย่างเป็นอิสระซึ่งซึ่ ง, งหลายคนพัฒนาไม่ถึงนะตัวเนี้ยใช่ไหมมองเห็นไหม คืออยู่เหนือมันซะเลยอ่ะใช้ทรัพย์โดยชนิดที่เอาทรัพย์นั้นมาเป็นปัใจจัยในการที่จะเอื้อทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ซะเลยเอาละเนี่ยยังมีทรัพย์เอามาสร้างสถานที่เพื่อให้คนได้มาทําประโยชน์ได้มาเจริญกุศลได้ทําสิ่งที่ดีงามเนี่ยแทนที่จะไปหมกมุ่นมัวเมาแล้วก็ลุ่มหลงกับมันใช่ไหมหวงอะไรเงี้ยไม่เอาละเราจะเป็นนายของทรัพย์เราจะไม่เป็นทาส อย่างนี้เป็นตนน้นนะนะอ้าวแต่นี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในโลกอ้าวสามจำพวกเป็นเชไหนหนึ่งคนตาบอดสองคนตาเดียวสามคนสองตาบุคคลตาบอดเป็นเชไหนเนะี่ย บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้หาโภกษทรัพย์คือไม่มีปัญญาหาทรัพย์หรือทาโภกทรัพย์แล้วที่มีแล้วให้เพิ่มพูนไม่มีปัญญาข้อนี้เลยหนึ่งปัญญาหาทรัพย์ก็ไม่มีสองปัญญาที่จะทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่เพิ่มพูนก็ไม่มีนี่นีนี่ปัญญาปัญญาข้างหนึ่งบอดไปเลยนะสอง กับทั้งไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยรู้จักธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่มีโทษไม่มีโทษธรรมะที่ซามและปลาหนี้ธรรมะที่เปรียบได้กับของดําของขาวเป็นต้นก็หมายคือแยกไม่ออกเอาไว้เป็นกุณกุศลกุศลบาปบุญคุณโูดแยกไม่ออกอันนี้ก็เรียกว่าบอดอีกข้างหนึ่งก็กลายเป็นสองบอดแล้วไอสองตาแล้วเคยเห็นไหมคนประเภทเนี้หนึ่งปัญญาหาทรัพย์ก็ไม่มีใช่ไหม ก็คือปัญญาหาทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีอยู่ทำทรัพย์ให้เพิ่มพูนก็ไม่ได้ <c oughs> นี่บอดข้างหนึ่งแล้วเนียยังมีมีไหมข้างนี้มีไหมมีนะหาทรัพย์ได้นะ <c oughs> สองแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นกุศลอะกุศลอะไรเป็นบุญเป็นโทษอะไรดำขาวดีชั่วแยกไม่ออกนี่สองสองข้างบอดแล้วนี่เรียกตาบอดสองตาทีนี้นี่นี่คนประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองบุคคลตาตาเดียว บุคคลตาเดียวเป็นไนบุคคลบางคนในโลกเนี้ยมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ให้ใหได้โพกทระซับที่ยังไม่ได้แล้วก็ทกําโพกทระซับที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนเก่งนแต่ไม่มีดวงตาชนิดช่วยรู้จักธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลทําที่มีโทษไม่มีโทษเป็นต้นเหล่าเนี้นะทําดําทําขาวอย่างนี้ก็เรียกตาดีข้างเดียวคือหาทรัพย์อย่างเดียวบาปก็ทําไม่สดเพราะแยกไม่ออก ขอให้รวยอย่างเดียวทาทั้งนั้นก็ เ, เห็นไนคนเวะเภนี้ทำบาปให้รวยฉันก็ทำฉันไม่สนนะ <c oughs> มีไหมในโลกนี้เห็นเยอะไหมเนี่ยคือนี่เขาเรียกตาบอดตาตาลบอดข้างคือได้ได้เฉพาะมีปัญญาหาทรัพย์แต่ไม่สนเนี่ยถ้าหาทราพัพย์มาด้วยป้นค่าฉันก็เอาช่อโกงฉันก็เอาใช่ไหมคอร์รัปชันฉันก็เอา <c oughs> เพราะมันแยกไม่ออกไงเพราะ พอมีปัญญาตะข้างมีตาข้างเดียวก็คือหาทรัพย์อย่างเดียวแต่ไม่สนเรื่องบุญเรื่องบาปเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าตามีตาเดียวบุคคลสองตาเป็นยังไงบุคคลบางคนในโลกนี้มีตาชนิดที่ช่วยหาโภกรทรัพย์ที่ยังไม่ได้เนี่ยให้หาได้หรือทําโพกรทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน อีกทั้งมีดวงตาชนิดที่รู้จักทมที่เป็นกุศลอกุศลทมที่เป็นทมดำทำขาวเป็นต้นเหล่านี้เนะี่ยคือแยกแยะได้เลยว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกคนตาดีสองข้างสรุปก็คือคนตาบอดตาเสียกับทั้งสองข้างคนตาข้างเดียวแล้วก็คนตาดีสองข้างท่านก็บอกว่าคนตาบอดตาเสียมีแต่ เป็นความเสียหายชั่วร้ายเสียทั้งสองทางก็คือพภกรทรัพั์ที่ว่าก็ไม่มีคุณความดีก็ไม่ได้คนตาเดียวก็นี่ก็ถูกทำก็เอาผิดทำก็เอาไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยเอ่ยโกงเอ่ยโกหกหลอกลวงก็ได้เขาเป็นคนเสวยกรรมที่ฉลาดสะสมแต่จากนี้ไปเนี่ยเขาก็ไปในรกค น, คนตาเดียวก็ย่อมเดือดร้อนส่วนคนที่เรียกว่าสองตาเนี่ยเป็นคนประเสริฐ ยอมแบ่งปันทรัพย์ที่ได้มาด้วยความขยันออกจากกองโภคะที่ได้มาโดยชอบธรรมออกมาเพื่อแผ่มีความคิดสูงประเสริฐมีใจแน่วแน่ย่อมเข้าถึงสถานที่ดีดงามไม่เศร้าโศกพระยากบอกให้เว้นคนตาบอดสองข้างเสียและให้เว้นคนตาเดียวเสียให้ไกลถ้าจะคบคนก็ให้คบหาคนสองตาผู้ประเสริฐนะั้น ใช่ไหมเออทีนี้ถ้าไปหาใครก็บอกว่าเ อ, อ้ยเดี๋ยวขอเช็คตาก่อนแตตาบอดไม่เอาบอดข้างเดียวก็ตาดีข้างเดียวมันต้องเอาคนตาดีสองตาเออในคำสอนตรงนี้ท่านสอนเนี่ยเป็นการติเตียนการสั่งสมครอบครองทรัพย์สมบัติไว้โดยไม่ใช้มันมีเรื่องอยู่ว่าคราวหนึ่งพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศล สเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ยังวันเช่ไหพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าพระองค์สเสด็จมาจากไหนแต่ยังวันเลยพระเจ้าประเสริฐทีโกศลก็กราบทูลว่าบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ากราบทูลว่ามีข้าหาบุรีมีเศรษฐีในพระนครสาวัตถีเนี่ยในนครหลวงถึงแก่กรรมคือตายไปพระองค์ก็เลยต้องสเสด็จมาขนเอาทรัพย์สมบัติเพราะเจ้า เ, เนี่เศรษฐีคนนี้ไม่มีทา ย, ยาทเลย ไม่มีญาติไม่มีบุตรรับมรดกก็เลยเอามรดกอะไรนี้ไปไว้ในพระราชวังพอหลังจากเนี่ยก็เลยผ่านมาทั้งนี้ก็เลยมาเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลก็กราบทูลจํานวนทรัพย์ที่ขนเข้าวังบอกว่าเฉพาะเหรียญทองอย่างเดียวนะมีถึงแปดล้านเหรียญทองนี่นะแปดล้านส่วนเหรียญเงินนะ่ะไม่ต้องพูดถึงกว่างั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐีท่านเนี้ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนะี่ย กินอาหารก็กินที่ได้น้อยประหยัดมากเป็นคนถูกสอนให้ประหยัดมาแต่ไหนแต่ไรเลยไ ม, มก็ว่าเงินะกินแต่ประเภทที่ปลายข้าวกับน้าส้มเองกินแค่ปลายข้าวอะเอาปลายข้าวมาหงกินแล้วกินน้ำส้มวันหนึ่งกินแค่เนี้ยก็วเงินจะหมดเวลานุ่งห่มผ้าก็เนื้อหยับหยาบตัดเป็นสามชิ้นเย็บติดกันด้วย ยานพาหนะก็ใช้รถเก่าๆ ก, การล่มก็ทํำด้วยใบไม้ไม่ไม่ไปเอาล่มดีๆใช้ใบไม้มาทําล่ม <c oughs> พระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นอย่างนั้นแหละมหาภพิษบอกว่าอาซาบุรุษเนี่ยได้ได้โพคะอันโบโอลานแล้วเนี่ยย่อมไม่เลี้ยงตัวให้เป็นสุขให้ อ, อบอิม่มไม่เลี้ยงมารดาบิดาไม่เลี้ยงบุตรภรรยา ไม่เลี้ยงคนรับใช้และคนงานมิสหายผู้ร่วมงานใี้เป็นสุขให้เอิบอิ่มไม่ประดิษฐานทักขิเนยะอันสูงสุดในสมณภรามทั้งหลายก็คือไม่ดูแลผู้มีศีลซึ่งอํานวยอารมณ์ที่ดีงามมีผลเป็นสุขที่เป็นปัจจัยต่อการเข้าถึงสุคติพอค้าของเขาที่ได้กินได้ใช้โดยชอบเหล่านี้ลาชาทั้งหลายก็ลิบซับไปบ้างบางครั้งโจรก็ลักไปบ้างหรือไม่ไฟก็ไหม้บ้างน้าก็พัดพาไปบ้าง ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็มาเอาไปบ้างเป็นต้นเหล่านี้โพคะเหล่านั้นของเขาซึ่งมีซึ่งมีได้กินได้ใช้โดยชอบแล้วก็หมดสิ้นไปเปล่าไม่ถึงการบริโภคพระที่ยากรบอกอปมาเหมือนกับสระน้ำในถิ่นอมนุษย์คือมีสระน้ำอยู่บนเขาสูงคนเข้าไปไม่ถึงน้ำใสยเย็นจืดสนิทใสกระจ่างมีท่าทีราบเรียบน่ารื่นลม คนจะตักเอาก็ไม่ได้จะดื่มก็ไม่ได้ทําความปรารถนาก็ไม่ได้ยัง ม, มีประโยชน์ไหมสาะน้ําที่อยู่บนป่าสูงมนุษย์ไม่สามารถเอามากินมาดื่มได้ไส่วนสัตว์บรุษเนี่ยได้โภคาอันโอฬารแล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุขเป็นกุศลศีเนี่ยเป็นทา น, นให้เ อ, อบอิ่มเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้คนงานมิสังหายผู้ร้องงานให้เป็นสุขให้ อ, อบอิ่ม แล้ก็ปริษถานทักกีนาเนี่ยอันสูงสุดในสมณพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งโวยผลที่ดีงามมีผลเป็นสุ์เป็นไปเพื่อสุขติโภค้าของเขาได้กินได้ใช้โดยชอบราชาทั้งหลายก็ไม่ขนเอาไปโจรก็ลักไม่ลักเอาไปไฟก็ไม่ไหม้น้ำก็ไม่พัดพาถ่าติที่ไม่เป็นที่รักก็ไม่เอาไปโภค้าของเขาเหล่านั้นซึ่งกินใช้อยู่โดยชอบย่อมถึงการบริโภคไม่หมดสิ้นไปเปล่าเหมือนสระน้ําที่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคม น้ำก็ใสเย็นจืดสนิทกระใสกระจ่างมีท่าที่ราบเรียบคนจะแต่ไปตักก็ได้จะดื่มก็ได้จะอาบก็ได้ทําตามปาร์นาก็ได้เขาบอกคนที่ไม่ฉลาดได้ทรัพย์มาแล้วตัวเองก็ไม่ได้กินได้ใช้เอามีจริงๆนะบางคนได้ทรัพย์มาแล้วก็ฝากไว้ย่างนั้นแหละไม่ได้กินได้ใช้เลยอยู่อย่างลำบากไม่ได้ใช้ใช่ไหมแล้วก็และไม่ได้ให้แก่ใครด้วย เหมือนกันน้ำที่อยู่บนเขาสูงหรืออยู่ในถิ่นของอมนุษย์จะดื่มจะกินก็ไม่ได้คนก็อดใช้ส่วนคนมีปัญญาหรือวินยูชนได้โภคะมาแล้วเนี่ยย่อมกินย่อมใช้ทากิจการงานของตนและการกุศลช่วยผู้อื่นเขาเป็นคนเลิดลำ้ำได้เลี้ยงดูหมู่ญาติแล้วไม่มีใครติเตียนได้เข้าถึงถิ่นสวรรค์ พระเจ้ามหาวพิตรเหล่าสัตว์คือมนุษย์เนี่ยจําพวกที่ได้โภกทระซับมายิ่งใหญ่โอลานแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ลุ่มหลงในกามทั้งไม่ปฏิบัติผิดร้ายต่อสัสตว์หรือมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ในโลกเพียงจํานวนน้อยคือคนที่จะฉลาดในการใช้ทรัพย์เนี่ยมีจํานวนน้อยส่วนเหล่าสัตว์จําพวกที่ได้โภกทระซับยิ่งใหญ่โอลานแล้วมัวเมาประมาทลุ่มห ล, ล, ลงในกาม และทั้งปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละมีอยู่ในโลกนี้จำนวนมากโดยแท้อจริงไหมเออเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราได้คิดว่าเออท่านเปรียบคนที่เก็บทรัพย์รวบรวมทรัพย์ไว้แล้วไม่ใช้นะไม่แบ่งปันเนี่ยว่าเป็นคนชนิดเหมือนนกชนิดหนึ่งนกชนิดนี้เขาเรียกนกไมยหกซึ่งคอยเฝ้าต้นเรียบที่มีผลสุกแล้วก็ร้องว่าไมหังไมหัง ของข้าของข้ามันร้องอยู่งั้นไงมันร้องมันทักซับมันเน่ยของข้าของข้าของข้าเมื่อหมู่นกอื่นๆพากันมาจิกกินผลเรียบแล้วก็บินไปนกไม้หางก็ได้แต่ร้องเพ้ออยู่อย่างนั้นแหละของข้าของข้าอย่างนี้เออในคัมภีร์ต่างๆก็มีเรื่องเล่าตำหนิตีเตียนคนตีนีที่เก็บทซั์ไว้แล้วไม่ใช้ไว้แล้วไม่ช่วยใคร โดยเฉพาะการทรมานเปลี่ยนใจเศรษฐีที่มีพฤติกรรมเนี่ยนะถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าฉะนั้นระบอกในพระสูตรเนี่ยสแสดงหลักธรรมที่เกี่ยวกับค า, ารวะในการแสวงหาทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์และความสุขที่ได้รับจากการประกอบอาชีพยอมมีเป็นเหมือนนกไม่หันจะร้องไม่หั่งไม่หังเี่นของกูของกูร้อง ร้องทักทรัพย์อยู่นั่นแหละชี้ไปนี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันชี้ตลอดเลยแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยคนอื่นคนอื่นเข้าไปใช้หมดตัวเองไม่ได้กินได้ใช้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยแบบกกันเหมือนนกกเดื่องเขามากินใชมัหมลูกเรียบเนี่ยเขามากินกินกินกินก็บินไปแล้วไอ้เจ้านี้ยังร้องเพ้ออยู่เลยร้องของข้าของข้าอย่างเลยทากินอิ่มเสร็จเขาก็ไปเพราะเขาไม่ใช่ของเขานี่แต่เขามากินได้ กินเสร็จก็ไปดินธรรมชาติใช่ไหมทรัพย์ในเนี่ยป่าเขาลำนาวไผมันก็ไม่ได้เป็นของใครหรอกจริงๆใช่มนกก็กินลูกไม้ลูกอะไรต่างๆมันกินหนูก็มากินปลาอะไรต่างๆเนี่ยนะพวกสัตว์ทั้งหลายมันกินแต่เรายังรอกของชั้นของชั้นอยู่นี่ยมันกินทุกวันมันมาใช้ประโยชน์เต็มไปหมดแหละปเอปอหน่อไม้หายไปนกไม่หัน สมีไอ้ทวงยังม่มีป่าไพ่กีปก่ป่าของฉันของฉันเนี่ยท่านอาจารย์นี่เขาลูกนี้ของฉันของฉันนี่ยไม่มีเจ้าของไม่ได้กินควายกินมันช้างบางกินเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นอย่าเป็นเหมือนนกไม่หันทักตนร้องตะโกนตนเรียวบรบินของข้าของข้าแต่ตนเองไม่ได้กินอะไรไม่กินเลยคอยเป้าอย่าเสียดาย เสถายน์ไม่ได้ใช้อีกประโยชน์ก็ไม่ได้ครั้งหนึ่งนะอุจชายะพรา ม, มเนี่ยไปเฝ้าพระเจ้าว่ากราบทูลว่าตนเองเนี่ยไปอยู่ต่างถิ่นขอให้พระทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขปัจจุบันและธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภายหน้าข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าก็ดูพระกรพรามทำมาสี่ประการเป็นไปเพื่อปร ะ, ประโยชน์สุขในปัจจุบันนั่นก็เรียกอุทฐานะสัมปทา อ า, ารักษาสัมปทาการยาธรรมิตตาและสมาชีวิตานี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐะธรรมิกถาถประโยชน์ประโยชน์ที่ตาเห็นหนึ่งอุทานาสัมปทาเป็นงไงกุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรในงานไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมก็ดีพาณิชยกรรมก็ดีคือจะกคำว่ากสิกรรมไหมก็เนี่ยทานาทําไร่นี่ยเปรกกสิกรรมพาณิชยกรรมคืออะไร้ขาขายโครกกกรรมคืออะไร เลี้ยงโคเลี้ยงวัวนี่ยที่เคยไปเลี้ยงไงนี่เก็เป็นกลุ่มนี้พวกคารมีเกษตรกรรมพาณิชยกรรมโครักกรรมสมัยก่อนก็เรียกกิจกรรมฟาร์มโคนมเนี่ยพวกนี้พวกโครักกรรมนั่นเลยเนี่ยแถวโคราชมีเยอะใช่ไหมบางคนก็เลี้ยงวัว้เลี้ยงวัวเคยทํามาแล้วใช่ไหม เกษตกรรมทำแล้วทำนาทำไรพาณิชยกรรมค้าขายเคยไหมเคยเลยนะโหรักกรรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำอะไรหลายอาชีพแล้วก็ข้าราชการทหารก็ดีพละเร lands, <e <sociology> <till> ือนก็ดีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเธอเป็นผู้ขยันชำนิชำนานไม่เกียดค้านในงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวนตรวจตรามีปัญญาฉลาด รู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆสามารถทําสามารถจัดการนี้เรียกว่าอุทธธานสัมปทาสามารถทํำด้วยนะแล้วก็สามารถจัดการด้วยปัญญาสองระดับเนี่ยสามารถที่จะทํำยังไงจัดการยังไงจะสามารถทําให้การงานนั้นจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมก็เก่งพาณิชยกรรมก็เก่งโครั ก, กรรมก็เก่งเป็นข้าราชการทหารพลเรือนก็เก่งหรือเป็นศิลปินทั้งหลายเราเนี้ยนะเก่ง คือไม่เกียดค้านข้อนี้ชัดเจนไหมขยันดีไหมเวลาทำอะไรเนี่ยรับผิดชอบมุยมดาเป็นไหมรับผิดชอบเลยเนี่ยมีปัญญาสอบสวนตรวจตราไหมรู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆสามารถทำแล้วก็สามารถจัดการปัญญาที่จัดการวางระบบเดิ น, นอันนี้คืออุทธธาหรสมบัาิเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แนะปัจจุบันเนี่ยพบเนี่ยไปได้ดี ประการที่สองอารักษาสัมปท า, าเป็นชนไหนกลุ่บุตรมีโภกทระซับที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนะสั่งสมด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบมาได้มาโดยธรรมเนี่ยจัดการรักษาคุ้มครองโภกทรัพย์เหล่านั้นโดยพิจารณาทำอย่างไรเอทําอย่างไรเราจะไม่โดนพระราชาลิฟโภคะเหล่านี้ของเราเสียนี่วางป้องกันนี่ป้องกันใช่ไหมเอ๊ะทำงไงจะไม่โดนลิฟซับ นี่นี่ข้อแรกเอ๊ะทํายังไงพวกโจรจะไม่ลักไปได้ไฟจะไม่ไหม้น้ําจะไม่พัดพาทายาทร้ายทายาทที่ไปดีทั้งหลายจะไม่มาผ่านนี่เขาเรียกว่าอารัก ษ, ษาสมบัตินี่ฉลาดนะเนี่ยป้องกันทรัพย์ได้ทรัพย์มาแล้วเก็บเป็นใช่ไหมเพราะจริงๆเนี่ยทรัพย์เนี่ยมันจะวิบัติไปยังไงโดนลิฟเสียภาษียากรนี่โดนโดนจัดเก็บภาษีย้อนหลัง ทุกว่นทุกว่นนี่โดนภสษียอดหลังหรือว่าสีอาณเนี่ยใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมจริงไหมจริงเพราไม่ทําอะไรขึ้นมาริงก็ตรวจสอบเนี่ ย, ยทำยังไงเนี่ยป้องกันไหมตรงนี้ป้องกันยังไงใช่ไหมป้องกันยังไงสองก็คือโจรใช่ไหมตรงนี้โดนโกงนี่เป็นกลุ่มโจร น, นั่นไงโดนโกงโดนอะไรเงี้ยต้องป้องกันด้วยนะตรงนี้มีทรัพย์มาแล้วต้องป้องกันว่าไม่ให้โดนโกงยังไงแล้วก็ ไฟไหม้น้ำพัดพาแผ่นดินไหวภูวเขาอะอรก็แล้วแต่เนี่ยป้องกันยังไงเออถ้าเกิดมีสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้บ้านเมืองวุ่นวายมาเนี่ยเออเราจะทำยังไงนี่ป้องกันตลอดถึงคนใกล้ตัวคือทายาทมีาาทายาทที่ไม่ได้เรื่องได้ลาวเนี่ยอย่ามาผ่านเราเนี่ยตรงเนี้ยนะมีลูกเป็นตน้นเราเนี่ยแต่ลูกไม่เป็นมั้ไม่เป็น ไม่ต้องกลัวลูกจะผ่านกลัวเราจะไปผ่านของลกูก <laughs> บางคนจริงไหมบางคนบางคนนี่ไม่กลัวคนอื่นจะมาขโมยแต่ลืมป้องกันตัวเองว่าจะไปขโมยของคนอื่นหรือเปล่า <laughs> สร้างกำแพงกันอย่างดีกันไม่ให้ขโมยเข้าบ้านแต่ลืมกันตัวเอง <laughs> อภิปปการที่สามก็คือการยาณมิตรตาคนละบุตรเข้าอยู่อาศัย ในคามหรือในนิคมในที่ใดก็ตามเธอเข้าสนิทสนมสนทนาปาศัยถกถอยปรึกษากับท่านที่เป็นข้าราชการบดของข้าราชกาหนุ่มที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้างคนสูงอายุที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่ผู้ประกอบด้วยศรัทธาผู้ประกอบด้วยศีลผู้ประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญานี่ไปหากระยาณมิตรใครจะไปครอบคน้นก็ไปดูก่อนคนค น, นี้มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธา ถ้าจะครบคนครบคนมีศีลหรือคนไม่มีศีลคนมีศีลใช่ไหมถ้าจะครอบคนครบคนตนหนีหรือครบคนชอบเสียสระครบกับคนที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาในตรไดองประกอบสามสี่ข้อเนี่ยเข้าไปหาอะไรคนประเภทเนี้ยก็ศึกษาเลยไปศึกษาศึกษาคนแบบเนี้ยเยี่ยงอย่างที่เพียบพร้อมเนี่ยว่าทำยังไงเขาจึงมีศรัทธา นั่นคงในความดีในพระาราตนตรัยศ ธ, ธาในเกียรติในผลอย่างรากลึกลงสู่ปัญญาทํำยัำยงไงก็มีไปศึกษาได้ฝึกเป็นเอาเขาเป็นยิ่ยงอย่างไปดูกะศีในะเวลาเขาเดินเนี่ยทั้งจารีศีนวาลีศีนเนี่ยเอ๊ะ เ, เขาทําไมเป็นคนมีศีลเขาเดินอยู่ในช่องทางอย่างเนี้ยเขาเป็นคนดีได้งไงพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพเขาดีมากเลยแล้วก็จาฆาเนี่ยทำไมเขาเป็นคนไม่ตนันหนีเขาก้าสละเขาก้าแบ่งปันยังไงใช่ไหมเขาฉลาดในการแบ่งปันด้วย ดูแลตนเองก็เป็นดูแลบุตรหลานญาติมิตรคนที่เกี่ยวข้องก็เป็นก็ เ, เป็นคนไม่ตนีสละกล้าสละกล้าแบ่งปันและที่สําคัญที่สุดเขาเป็นคนมีปัญญารักษาตนที่ยังทาพาชีวิตในการวางแผนชีวิตได้ทุกระดับอนนเออนไปศึกษายิ่งอย่างเขาไปคบหาสมาคมกับเขาเอาเขาเป็นแบบอย่างเอาเป็นแบบฉบับในการที่จะฝึกตนเองเดินตามนั้นชัเดเจนอะไรเงี้ยเรืกกร่องกัลยาณมิตรตาข้อที่สี่ ก็คือสมชีวิตาเนี่ยก็แปลว่ากุลบุตรเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ให้ฝืดเครืองเกินไปไอ้บางคนเนี่ยเลี้ยงชีพแบบมันสุดโต่งไงไอ้ฟุ่มเฟือย ก, ก็เต็มที่ไปเลยไอ้ฝืดเครืองก็ออืหแทบเหนีย ว, วควักไม่ออกเล ย, เยมันเห็นไหมเดินมากมันจะสุดโตง่งเงี้ยมนุษย์เราเนี่ย ถ้าไปเจอคนบางคนก็ประเภทที่โอ้โหไม่เก็บเลยบางค น, นเลยหมดมีอะไรหมด <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ใครนั่งอยู่ตรงนี้อั <c oughs> อนนี้ก็เรื่องสุดตองสุดตองเกินไปก็คือนี่คือมันคล้ายๆฟุ่มเฟือยเกินไปใช่ไ้ยอันนี้ไม่มีขาดข้อสุดท้ายข้อหนึ่งมีอุทนะขยันข้อที่สอง ก็มีอีกอรักษสัมปทาข้อที่สามกรลยานามิตรก็มีครบข้อที่สี่สียข้อสี่ไม่มีสมชั่ชีวิตตาก็คือไม่เหมาะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คือฟุ่มเฟือยเกินไปท่จริงก็บอกไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ให้ฝืดเคือง เ, เกินไปโดยรู้จักเข้าใจทางเพิ่มภูและทางลดถอยแห่งโภกรัพั์รู้นะว่าโกกรัพย์จะเพิ่มและพกกรัพย์จะลด ว่าทำอย่างนี้รายได้มันจะเหนือรายจ่ายและรายจ่ายนะของเราจึงจะไม่เหนือรายได้นะปุปมาณเหมือนอะไรเหมือนคนช่างตาช่างหรือลูกมือของคนช่างตาช่างย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านี้เกินไปเท่านี้ถ้าหากคุละบทมีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีคนกล่าวเราว่าคลบุถ์นี้กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมาเดือ กินมาเดี๋ยวกินหมดนี่ทีนี้ถ้าคนละบรมีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างผืดเคืองก็บอกว่าโอ้คนคนนี้คงจะตายอย่างคนอนาถาแต่เพราะคนลุรบรนี้เลี้ยงชีพเหมาะสมจึงชื่อว่าสมาชีวิตตาถึางนี น, นะทีนี้โควคาที่เกิดขึ้นโดยชอบรมเนี่ยมันมีช่องทางในความเสื่อมนะนหนึ่ง เป็นนักเลงหญิงสองนักเลงสุราการพ น, นันคบมิตรชั่วฝากฝ่ายคนชั่วนี่เนี่ยหรือว่ามีช่องทางในกรณีแห่งการที่ไปทำให้ช่องทางเข้าอุปมาเหมือนน้ำน้ำเนเวลาสะใหญ่มันมีทางไหลเข้าสี่ทางแล้วก็ทางไหลออกสี่ทางถ้าไปเปิดแต่ทางน้ำออกแล้วก็ไปปิดทางไหลเข้าฝนไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาล อ่างเก็บน้ำนั้นก็ลดน้อยลงและน้ำมันก็ไม่เพิ่มใช่ไมมันมีทางไหลออกเหมือนสมมติว่าเอาเราไม่ไปเปิดช่องทางแห่งการได้มาแห่งโพกซั์แต่เราก็เปิดแต่ช่องทางแห่งไหลออกอย่างเดียวมันเหมือนอย่างเรามีสระเนี่ยพอมีสระน้ำทางไหลเข้าของน้ำเราปิดแต่เราเปิดไหลออกแล้วปีนั้นฝนไม่ตก เหมือนการ ก, กรณีเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเศรษฐกิจมันเนี่ยเหมือนฝนนั่นนะเศรษฐกิจดีเหมือนฝนตกต้องดีเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีแต่น้าไหลาตามธรรมชาติเท่านั้นเลยนี่เราไปปิดตัวนี้ทางไหลเข้าแล้วไปเปิดทางไหลออกสะหมดเลยเดี๋ยวนี้วิธีการก็คือปิดทางไหลออกที่มันจะเป็นทางเสื่อมเสียทั้งหมดแล้วก็เปิดทางไหลเข้ามันก็สะก็เพิ่มพูน แล้วก็ได้กินได้ใช้แก่คนที่อยู่บริเวณนั้นใช่ไหมที่เราอยู่ตัวเราเองก็ได้อิ่มน้ําสําราญได้บุดบริวายญาติไอ้พทธเจ้าสอนดีไหมตอนสมัยเป็นเด็กไม่ได้เรียนเรื่องนี้กันนะ้อธิจริงนะตอนอยู่มัธยมน่าจะเอาเรื่องนี้มาสอนในการโอถ้าสอนอย่างนี้เราจะรู้จักการใช้ทรัพย์เลยนนเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วอายุ เลยเล่าให้ฟังอันนี้มานั่งฟาร์เาให้ฟังแต่ไม่ทันแล้วทันไหมไม่ทันนะแต่พูดให้ฟังเนี่ยวเออพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้มาสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมสองพันกว่าปีนะพระพเจ้าสอนเรื่องนี้ทีนี้พระุธเจ้าก็บอกว่าความสุขอันชอบธรรมที่เครื่องอาจควรมีคืออะไรดูก่อนข้าราชกาดีนะบอกว่าความสุข สประการนั้นก็คืออัติสุขโพค้าสุขอนัณนสุขและอนัวชชสุขสุขขแรกหนึ่งอัติสุขสุขเกิดแต่การมีทรัพย์ถ้อคารวะเนี่ยถ้ามีทรัพย์ก็มีความสุขนึเอาเป็นเชไหนกุลบุตรเนี่ยมีโภค้าที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมมาด้วยกำลังแข็งด้วยความชอบธรรมได้มาโดยธรรมนะพอย่อมได้ได้ทรัพย์มาแล้วก็มีสมณัตบอกว่าเรามีโพค้าที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร สะสมมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบงือต่างน้ำเป็นของชอบทำได้ไหมที่สําอืมเป็นความสุขทั้งเกติดูที่ที่เราไปทํามาหากินแบบสุดจริตมาแล้วได้ทรัพย์มาชื่นใจเคยเป็นไหยแมงตอนเป็นคารวาสเคยมีความสุขอย่างนี้ไหมสุขจากการมีทรัพย์ไปขายของแล้วได้มามีสุขเกิดการมีทรัพย์เคยไหมมีความสุขไหยเออนี่ยแหละโอ้โหมันขยันแล้วได้ทรัพย์มา ถ้าไปพูดโกหกแล้วได้ทรัพย์มาไม่สุขเลยเห็นทรัพย์ที่ไรลมันแค้นเคืองเลยนี่มันได้มาเดยไม่ชอบทำยอมรั ด, ดามีความสุขไหมสอนหนังสือแล้วได้มาใช่ไหมตอนนี้ก็รัฐบาลเลี้ยงสบายทุกเดือนรัฐบาลก็จ่ายให้จ่ายให้ใช่ไหมคนถ้าเดือนหนึ่งได้สี่ถึงห้าหมื่นต่อเดือนเนี่ยก็เหมือนกับมีเงินฝากประมาณห้าสิบล้าน อาจจริงไม่จริงเอาเงินฝากห้าสิบ้านสิบล้านเนี่ยเพอเพอถ้าไม่ได้นะสี่ห้าหมื่นต่อเดือนเนี่ยมีเงินประมาณนั้นนะ่ะห้าสิบล้านข้าราชการเนี่ยไม่ต้องดิ้นใช่ไหมเหมือนอย่างสบายเดือนหนึ่งรัฐบาลก็จ่ายมานี่เขาเรียกว่าเงินบำนาญเดือนละสี่หมื่นเดือนละห้าหมื่นบาทก็ประมาณนั้นแหละได้ไหมหนึ่งจุดห้าปีแล้วเท่าไหร่ห้าสิบล้านได้ไม หนึ่งจุดห้าต่อปีถ้าห้าสิบล้านเนี่ยได้ประมาณเจ็ดหมื่นห้าต่าภาษีก็อยู่ประมาณนั้นแหละเห็นไหมเนะี่ยมีเงินฝากประมาณสี่สิบล้านถ้าสี่สิบล้านก็อยู่ประมาณสี่หมืนกว่าบาทเนี่ย ด, <c oughs> ดน ได้เนี่ย ไ, ได้นี่ยคือสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สองโพคาสุขเนี่สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคกุครบดกินใช้ทําสิ่งที่ดีงามเป็นบุญทั้งหลายด้วยโพคาที่หามาได้ด้วยความขยันมันเพียรได้มาโดยทำพอได้ทรัพย์มาแล้วก็เราได้กินได้ใช้ได้ทําสิ่งที่ดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี่เรียกโพคาสุก มีสุขแต่การใช้ทรัพย์โอ้มีความสุขเราเอามาซื้อของกินบ้างเอามาแจกจ่ายบ้างเอาให้คนนั้นบ้างทําที่เป็นประโยชน์บ้างมีความสุขไหมสุขมากเลยอยากจะแจกจ่ายทั้งวันเลยใช่ไหมแต่มันไม่อันมีความสุขเนี่ยได้จ่ายเนี่ยนี่สุขของคารวะพระพุทธเจ้ารู้ขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าไปหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยทําเป็นกองชอบทำอุ้ยมีความสุข คิดว่าโอ้โหนี่ดได้มาไปประมูลงานมาเหมางานมาทําอะไรต่างก็ได้ทรัพย์มาเขาก็มีความสุขเห็นทรัพย์มันเพิ่มพูนพอค้าสุขก็คือสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคแม้ได้จ่ายได้ใช้มีความสุขอ่าได้เราได้สองสุขแล้วนะประการที่สามอนันตสุขสุขเกิดจาการไม่เป็นหนี้กุลบทไม่ติดหนี้อะไรของใครเลยนี้น้อยหรือมาก ก็ได้ความสุขสอมณนะโอ้เกิดมาไม่เคยเป็นติดหนี้ใครเล ย, เยไม่ว่าน้อยหรือมากไม่ให้มีความสุขลองมองดูที่มีหนี้ไหมมีไห ม, มหมดแล้วใช่ไหมมีความสุขไห ม, มเออเห็นไหมเนี่ ย, ย <laughs> สุขยังไงเลยอ๋อเลื่อมเลย <laughs> ล มีเจ้านี่เครียดเลยครับได้เจ้านี่ก็เครียดเขาเครียดที่ไปเจอคนยืมไปแล้วลืมเนี่ยเนคนหาทรัพย์เก่งนะหาก็ใช้เนี่ยใช้เก่งมากกว่าหาแต่ใช่ไหมสามอย่างมาแล้วเนี่ย ข้อสุดท้ายนี้ก็คืออนัตวัชสุขสุขที่เกิดจากความประพฤติสุจริตที่ไร้โทษอันนี้เป็นความสุขที่สุดยอดอริยาสาวกประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมไม่มีโทษมนโนกรรมไม่มีโทษโหสุขมากทางด้านพฤติกรรมทางกายก็ไม่มีโทษเลยพฤติกรรมทางวาจาก็ไม่มีโทษเลยพฤติกรรมทางใจกิจกรรมของชีวิตที่ดําเนินไปไม่มีโทษเลยว่าไงเลยไม่เป็นกายทุจริตไม่เป็น วจีทุจริตไม่เป็นมโนโทุจริตเป็นแต่กายาสุจริตวัจีสุจริตมโนโ ส, สุจริตโอ้โหมีความสุขสมมนาตว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมไม่มีโทษวัจีกรรมไม่มีโทษมนโนกรรมไม่มีโทษนี้เรียกว่าอนนวัตชสุขเมื่อตระหนักถึงความสุขจากความเป็นนี่แล้วคนก็จะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เมื่อกินใช้ก็จะแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุข เมื่อเห็นแจ้งชัดเขาก็มีปัญญาย่อมเข้าใจทั้งสองส่วนเทียบกันได้แค่ว่าความสุขสามอย่างข้างต้นความสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการจ่ายทรพัพย์บริโภคสุขโดย ก, การไม่เป็นหนี้เนี่ยพอมาเทียบเคียงปุ๊บเนี่ยมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของความสุขที่การประพฤติสุจริตไร้ทุนใช่เอางี้เอาความสุขจากการมีทรัพย์จากการจ่ายทรพัพย์ จากการไม่เป็นหนี้เนี่ยมามาแยกเป็นสิบหกส่วนสิบหกเซี่ยวเอาเซี่ยลที่สิบหกนะเอาเซี่ยลที่สิบหกหนึ่งในที่สิบหกเอาเซี่ยลหนึ่งมาเนี่ยมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกของความสุขที่มีการประพฤติสุจริตเราประพฤติสุจริตเนี่ยความสุขนอกนั้นไม่เท่าหารฐารใน จากการสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยสุขจากการมีทรัพย์จ่ายทรัพย์บริโภคไม่เป็นหนี้มันสุขน้อยไม่สู้กับความสุขจากการสุดจริตกายก็สุดจริตวาจาก็สุดจริตใจก็สุดจริตอันนี้เป็นสุขสุขที่มากที่สุดใช่ไหมล่ะอันนั้นมันก็เป็นความสุขข้างนอกมีทรัพย์ก็ข้างนอกจ่ายทรัพย์ก็ข้างนอกใช่ไหมไม่เป็นหนี้ใครก็เรื่องนอกตัวแต่สุจริตนี่มันเรื่องในตัวมันเรื่องรู้ได้เฉพาะตัว เรามีแต่ความสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจมันจะสุขตลอดเลยคนประเภทนี้มันไม่มีโทษในในพฤติกรรมตนเองเลยจริงไหมจริงดูทีพระพุทธเจ้ารู้ขนาดนั้น เ, เออนอนก็ไปนอนตรงไหนก็สุขอะ่ะเพราะเราเป็นคนสุดจริตเราไม่ได้เป็นคนมีททษจริตใดๆเลยเราเป็นคนไม่มีแผลภายในไปที่ไหนก็ปลอดโปร่งปลอดภัย ใช่ไหมตายก็มีความสุขอยู่ก็มีความสุขมันสุขเนี่ยเพราะมีสุจริตทางกายทางวาจาทางใจนี่มันสุขไหนใช่ไหมมันสุขไหนรั์มันอยู่นอกตัวใช่ไหมล่ะการใช้รั์ก็เรื่องนอกตัวหมดเลยนะไม่เป็นหนี้ใครก็เรื่องนอกตัวหมดเลยนะใช่ไหมล่ะแต่สุจริตนี่ภายในเลยจริงไม่จริงนี่เป็นอย่างนี้นะ ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นโอ้พระพุทธเจ้าสอนการใช้ทรัพย์มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คืออันนี้อนาถาพินิกะพระพุทธเจ้าตัดเหตุผลการที่จะมีทรัพย์หรือประโยชน์ที่การถือเอาจากทรัพย์สมบัติเนี่ยแล้วก็บอกว่าดูก่อนก็มาดีประโยชน์ที่ควรถือเอาอ่างโภค้ทั้งหลายหประการหนึ่งโภค้าที่หามาได้ด้วยความมันสะสมมาด้วยกําลังแขนอย่างอาบเหงื่อตากน้ําได้มาโดยทําเป็นกองชอบเทา่าน อริยส า, าวกก็คือเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขให้อิ่มเอิบเอาใจใส่ดูแลตนให้เป็นสุขโดยชอบเลี้ยงมารดาบิดาแล้วได้เลี้ยกไหมเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนใช้กรรมกรทั้งหลายให้เป็นสุขให้เอิบอิ่ ม, อมเอาใจใส่ดูแลโดยชอบนี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาอห่างโภคะาคอเล่เห็นไหมพอมีโภคกระซ้าก็มีแค่นี้ดูแลตนเองบุตรภรรยาสามีบุคคลที่เกี่ยวข้องคนงาน ให้เขาเอิบอิ่มให้เขามีสุขแค่นี้เองนี่ข้อแรกเลยนะได้ทรย์มาแล้ว <c oughs> ข้อที่สองพค่าที่หามาได้แล้วด้วยความหมั่นด้วยความด้วยก็ชอบทําเนี่ยมิตรสหายคนที่ร่วมกิจการงานกับเราให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบนี้ประโยชน์ที่ควรถือเอาอย่างพว ก, กทระซับข้อที่สองถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานร่วมอะไรต่างๆกิจการเนี่ยก็เลี้ยงดูแลกันให้เป็นสุข ข้อแรกตนเองแล้วก็บุตรหลานญาติมิตรคนเกี่ยวข้องบริวารข้อสองก็คือมิตรสเาืข้อที่สามโภคะที่หามาได้ด้วยความหมั่นด้วยดวยด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมพุทธบริษัทนั้นย่อมป้อง ก, กันโภคทรัพย์จากอันตรายป้องกันจากไฟจากน้ําจากพระราชาจากโจรจากญาติที่ร้ายทําตนให้สวัสดีนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาโภคทรัพย์ข้อ3 ได้ทำไหมข้อหนึ่งทาแล้วสองทำแล้วสามข้อที่สี่พอค้าที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยทําเนี่ยอริยสาวกก็คือว่าทําราชพีนะเดี๋ยวเข้าไปทําพีห้าอย่างญาติพิพีส่งเคาะญาติได้ทำไหมทําแล้วนะแล้วก็อติทิพีต้อนรับแขกอันนงไว้เวลาแขกเวลามีคนมาไปมาสู่เอาไว้เลี้ยงดู มีไหมส่วนเนี้ย ป, ปุพเพเตพีทําบุญอุทิตให้ผู้ล่วงลับทำแบบราชพีเสียภาษียากรมาทําำนะเทวดาพีถวายบํารุงบารุงอุทิตให้เทวดาหรือาศาสนาก็ได้นี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาเอาโภกษัพย์ข้อที่สี่ทำแล้วนะข้อที่ห้าโภกษทัพย์ที่หามาแล้วด้วยความหมันด้วยเรี่ยวแรงอย่างอ่ำเหงื่อต่างน้ำเนี้ย ได้มาโดยทมอายะสาวก็คือปฏิสถานทักขินยันสูงสุดอันอำนวยอารมณ์อันดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสุขติคือว่าดูแลบุคคลที่ไม่ประมาทผู้ประพฤติผู้มีขันติโสราจารที่ปึกตนเองทำตนเองให้สงบทันตนเองให้หายร้อนจากกิเลสได้นี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาในพุททรัพย์ถ้าใครสงบระงับกิเลสได้ไม่เร่าร้อนด้วยการกิเลสไปกุ้มลมคนประเภทนี้เราก็ดูแล เครือข่าบวชพระพุทธเจ้าบอกคือข่ายบวชีประโยชน์ที่ควรถือเอาโพกทรัพย์ห้าประการนี่แหละถ้าเราทําอย่างนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทรัพย์มาแล้วนะทําถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เมื่ออริยาสาวกถือเอาอยู่ซึ่งโพกประโยชน์ที่ควรถือเอาโพกทรัพย์ห้าประการนี้โพกทรัพย์ทั้าหมดสิ้นไปนะสมมติทําแบบเนี้ยมมบบถ้าโพกทรัพย์หมดสิ้นไปเขาก็มีความคิดว่าอันใดที่เป็นประโยชน์ที่ควร ถ, ถือเอาอย่างพอคะ ประโยชน์อันนั้นเราก็ได้ทําแล้วถ้าโภคคาหมดปิ้นไปโดยในนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะเขาได้ทําประโยชน์แล้วและหากว่าทําอยู่อย่างนี้แหละโภคทรัพย์มันเพิ่มพูนขึ้นเขาก็คิดว่าอันใดที่เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาเป็นโภคทรัพย์ประโยชน์นั้นเราก็ได้ถือเอาแล้วโภคทรัพย์ของเรามันเพิ่มขึ้นโดยในนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนใจเป็นอันว่าเขาไม่เดือดร้อนใจทั้งสองกรณีหมดก็ไม่เดือดร้อนใจเพิ่มขึ้นก็ไม่หดไม่เดือดร้อนใจ เพราะแต่ละวันแต่ละวันก็ทำประโยชน์ตลอดพระเจ้าบอกผู้ครองเรือนเมื่อมีกินมีใช้แล้วท่านถือเป็นหลักสำคัญจะต้องเผื่อแผ่แบ่งปันปฏิบัติเช่นนี้เป็นการดําเนินตามมรรคาของอริยชนถ้าบอกมีน้อยก็พึงให้ตามน้อยมีปันกลางก็ให้ปันกลางมีมากก็ให้ตามมากการไม่ให้เลยย่อมไม่สมควร ดูก่อนโกสยะเสถียีเราขอกล่าวกับท่านว่าจงให้ปันและจงกินใช้จงขึ้นสู่มรคาของอายะชนเถิดบุคคลที่กินคนเดียวไม่มีความสุขเลยเอออย่างนี้พระุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องการใช้ทรัพย์พอจะมองเห็นหรือยั ง, ยงมีอะไรถามไหมอีไหม ไม่มีหรอกเขาไม่มีไม่มีสุขเขาจะเครียดเขาจะวิตกกังวลแล้วก็าอยู่อย่างเหงาแล้วว้าวีด้วยถ้าลองไปนั่งคุยดูดิเขาจะอยู่ด้วยความกัดกุ้มอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความทุกข์ไม่ใช่พระเจ้าจะบอกไว้ว่าจริงๆก็คืออยู่อย่างมัวเมาอยู่อย่างมัวเมาเป็นทาตของทรัพย์ไม่เป็นไม่มี ถ้าสัพพะก็จะเรียกว่าไม่มีนิสตระปัญญาไม่มีปัญญาอยู่เหนือพวกทรัพย์แต่เป็นาธาตุของทรัพย์อยู่อยู่ได้แค่เป็นาธาตุของครับ